ห้าส in ิบเอ็ดหาสิบเอดหาสิบะาสิบเอาสิบเอ็ดห้าสิบเอ a ดห้าสิบเอดิบเอ็าอดห้าิบอห้สอ็ดาสิบอห้ิอสิบดอ พิพิธภัณฑ์ที่ฉันอยากไปร้านขายหนังสื อ, ส อ, อฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ฉันอยากยืมหนังสือส ingin meminjam buku ดิฉันอยากซื้อหนังสือ saya ah ingin membeli buku ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ saya ah ingin membeli koran ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ saya perpustakaan ingin ke untuk e m ฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือฉันอยากไปงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือ Saya ingin ke kios untuk membeli koran. ดิฉันอยากไปร้านวันตา Saya ingin ke toko kacamata. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์ต Saya ingin ke supermarket. ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง Saya i n ิ i n ke toko roti ดิฉันอยากซื้อแว่นตา Saya ingin membeli kacamata ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก Saya อ n g i n membeli บัด้านซายุรันดิฉันอยากซื้อขนมปัง saya องินมบลี่รติดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา saya อิงินคือตโก kachamatata untuk membe ล kaca มา ta ดิฉันอยากไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผักฉันอยากไปร้า untuk เ, เกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปังฉันอยากไปร้านอบ์มารี่เพื่อจะซื้อขนไมปแักอยากไปร้านเเกอรี่เพื่อจะซื้อขนม